ปสสติปสันเพตพะเตจตาลิกะว่าด้วยองค์สี่สาของภิกษุที่สงพึง่งระงับโอเคปเนิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัตมวดที่หนึ่งภิกษุทั้งหลายสงพึง่งระงับโอเคปเนิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัตแก่ภิกษุผู้ประกอบได้องค์ห้าคือ 1. ไม่ให้อุปสมบท 2. ไม่ให้นิสัยสไม่ใช้สา ม, มนเณรอุปถา สีไม่รับแต่งตั้งเป็นผู้สั่งสอนภิกษุณีหแม้ได้รับแต่งตั้งแล้วก็ไม่สั่งสอนภิกษุณีภิกษุทั้งหลายสงพึงระงับโอเคปณิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้าเหล่านี้ แ, แลหมวดที่สองภิกษุทั้งหลายสงพึงระงับโอเคปณิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้าอีกอย่างหนึ่ง เอ 1. ไม่ต้องอาบัตที่เป็นเหตุให้ถูกสงลงโอเคปนิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัตอีก 2. ไม่ต้องอาบัตอื่นทำนองเดียวกันสไม่ต้องอาบัตที่เลวซามก่อนนั้นสไม่ตำหนิกรรมหไม่ตำหนิภิกษุผู้ทากรรมภิกษุทั้งหลายสงพึงระ ง, งับโอเคปนิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัตแป่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้าเหล่านี้แล หมวดที่ 3. ภิกษุทั้งหลายสงพึรงระงับโอเคปนิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้าอีกอย่างหนึ่งคือ 1. ไม่ยินดีการกราบไหว้ของปะกะตตะภิกษุ 2. ไม่ยินดีการลุกรับของปะกะตตะภิกษุ 3. ไม่ยินดีการปรนนมมือของปะกะตตะภิกษุ 4. ไม่ยินดีสามีจิกรรมของปะกะตตะภิกษุ หไม่ยินดีการนำอาสนะมาให้ของประกาศตัดตะภิกษุภิกษุทั้งหลายสงพึงระ ง, งับโอเคปณิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้าเหล่านี้แลมวดที่สภิกษุทั้งหลายสงพึงระ ง, งับโอเคปณิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้าอีกอย่างหนึ่ง 1ไม่ยินดีการนําที่นอนมาให้ของประกาศตตะภิกษุ 2. ไม่ยินดีน้ําล้างเท้าการตั้งต่างรองเท้าให้ของประกาศตตะภิกษุ 3. ไม่ยินดีการตั้งกระเบื้องเช็ดเท้าให้ของประกาศตตะภิกษุ 4. ไม่ยินดีการรับบาดและจีวรของประกาศตตะภิกษุ 5. ไม่ยินดีการที่ประกาศตตะภิกษุทูหลังให้ในคราวอาบน้ําภิกษุทั้งหลาย สงเพงระงับโอเคปนิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้าเหล่านี้แลหมัวที่5ภิกษุทั้งหลายสงเพงระงับโอเคปนิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์หอีกอย่างหนึ่งคือหนึ่งไม่ใส่ความประกาศตัตตภิกษุด้วยศีลลวิบัติ 2. ไม่ใส่ความประกาศตัตตาภิกษุด้วยอาจารวิบัติ สามไม่ใส่ความประกาศตตะภิกสุด้วยทิฐิวิบัติสี 4. ไม่ใส่ความประกาศตตะภิกสุด้วยอาชีววิบัติห้าไม่ยุโยงประกาตัตตะภิกสุให้แตกกันภิกสุทั้งหลายสงพึงระงับโอเคปนยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติแก่ภิกสุผู้ประกอบด้วยองค์ห้าเหล่านี้แลหมวดที่หกิกษุทั้งหลายสงพึง okay พระงับโอเคปนยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติ แก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้าอีกอย่างหนึ่งคือหไม่ใช้เครื่องนุ่งห่มอย่างครหัตสองไม่ใช้เครื่องนุ่งห่มอย่างเดรธีสามไม่คบพวกเดรธีสี่คบพวกภิกษุห้าศึกษาศึกษาบทของภิกษุภิกษุทั้งหลายสงพึงระ ง, งับโอเคปนิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบาัติแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์หเหล่านี้แลมือที่เจ็ด ภิกษุทั้งหลายสงพึงระ ง, งับโอเคปนิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์5อีกอย่างหนึ่งคือ 1. ไม่อยู่ในอาวาสที่มีเครื่องมุงบางเดียวกันกับประกาศตตะภิกษุ 2. ไม่อยู่ในสถานที่ไม่ใช่อาวาสที่มีเครื่องมุงบางเดียวกันกับประกาศตตะภิกษุ 3. ไม่อยู่ในอาวาสหรือสถานที่ไม่ใช่อาวาส ที่มีเครื่องมุงบางเดียวกันกับประกะศตัดตาภิกษุ 4. เห็นประกาศตัดตภิกษุแล้วลุกจากอาสนะ 5. ไม่รุกรานประกะตัดตภิกษุทั้งข้างในหรือข้างนอกวิหารภิกษุทั้งหลายสงพึงระ ง, งับโอเคปณิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้เหล่านี้แลมวดที่8ภิกษุทั้งหลายสงพึงระ ง, งับโอเคปณิยกรรม เพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์8คือ 1. ไม่งดอุโบสถแก่ประกาตัตตภิกษุ 2. ไม่งดปวารณาแก่ประกาตัตตภิกษุ 3. ไม่ทําการไต่สวน 4. ไม่เริ่มอนุวาธาธิกรห้าไม่ขอโอกาสภิกษุอื่น 6. ไม่โจทย์ภิกษุอื่น7ไม่ให้ภิกษุอื่นให้การ แไม่ชักชวนกันก่นกอความทะเลาะภิกษุทั้งหลายสงพึงระ ง, งับโอเคปนยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัตแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์แปดเหล่านี้แลปฏิปสัมเพตพะเตจัตาลีสกะในโอเคปนิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัตจบ ทีระ ง, งับโอเคปนิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัตและกรรมวาจาภิกษุทั้งหลายสงพึงระ ง, งับโอเคปณิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัตอย่างนี้คือภิกษุชนะ น, นั้นพึงเข้าไปหาสงโหมอุตราสงเฉวียงบ่าข้างหนึ่งกราบท้าภิกษุผู้แก่พรรษาทั้งหลายนั่งกระยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญกระผมถูกสงลงโอเคปนิยกรรม เพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัตแล้วกลับประพฤติ ช, ชอบหายเ ย, ยื่หยิงกลับตัวได้กระผมจึงขอระ ง, งับโอเคปเนิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัตพึงขอแม้ครั้งที่สองพึงขอแม้ครั้งที่สามภิกษุผู้ชลาสามารถพึงประกาศให้สงรารด้วยยติจจตุกรรมวาจาว่าท่านผู้เจริญขอสงชงฟังข้าพเจ้าภิกษุชนะนี้ ถูกสงลงโอเคปนิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัตแล้วกลับประพฤ่อ ช, ชอบหายเ ย, ยื่ยยิงกลับตัวได้ขอระงับโอเคณนยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัตถ้าสงพร้อมกันแล้วพึงระงับโอเคปนิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัตแก่ภิกษุชันนะนี่เป็นญาติท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าภิกษุชันนะนี้ ทรงลงโอเคปนิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติแล้วกลับประผู้ชอบหายเย่อหยิงกลับตัวได้ขอระงับโอเคปนิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัตทสงระงับโอเคปนิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัตแค่พิสุชนะแล้วท่านรูปใดเห็นด้วยกับการระงับโอเคปนิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัตแก่พิษุชนะแล้วท่านรูปนั้นพึงนิ่ง ท่านรูปใดไม่เห็นด้วยท่านรูปนั้นพึงทักท้วงแม้ครั้งที่สองเขาพเจ้ากล่าวความนี้ว่าและถึงแม้ครั้งที่สามเขาพเจ้ากล่าวความนี้ว่าท่านผู้เจริญขอสงจงฟังเขาพเจ้าภิกษุฉันนี้นนถูกสงลงอุเขปณิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติแล้วกลับประพฤติชอบหายเยืยยิงกลับตัวได้ขอระ ง, งับโอเขปณิยกรรม เพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัตสงระงับโอเคปนิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัตแก่ภิกษุชนะแล้วท่านรูปใดเห็นด้วยกับการระงับโอเคปนยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัตแก่พิกษุชนะท่านรูปนั้นพึงนิ่งท่านรูปใดไม่เห็นด้วยท่านรูปนั้นพึงทักท้วงโอเคปนิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัตสงระงับแล้วแก่พิกษุชนะสงเห็นด้วยเพราะเหตุนั้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้อุคเคปานิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัตที่5จบ 6. อุเคปานิยกรรมเพราะไม่ทำเคืนอาบัตแสดงอาบัตเรื่องภิกษุชื่อฉันนะ สมัยนั้นพระผู้มีพระภาค พ, พุทธเจ้าประทับอยู่ณโคสิตารามเขตกรุมโกสัมพีครั้งนั้นภิกษุชื่อฉันนะต้องอาบัตแล้วไม่ปรารถนาจะทำคืนอาบัตภิกษุผู้มักน้อยสันโดตามิปรนามโพรธนาว่าฉันไหนภิกษุชื่อฉันนะต้องอาบัตแล้วไม่ปรารถนาจะทำคืนอาบัตเล่าดังนี้แล้วนาเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ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 ไม่สมควรไม่ควรทำเลยภิกษุทั้งหลายฉะไหนโมฆะบุรุษนั้นต้องอาบัตแล้วไม่ปรารถนาทำคืนอาบัติเล่าภิกษุทั้งหลายการกระทำอย่างนี้ไม่ได้ทำคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสครั้นทรงตำหนิแล้วทรงแสดงคมีกระถาแล้วรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายถ้าอย่างนั้นทงจงลงอเคปณิยกรรมเพราะไม่ทาคืนอาบัต ภิกษุชื่อฉันนะห้ามสมโภคกับสงวิธีลงอุเคปณิยกรรมเพราะไม่ทําคืนอาบัตและกรรมวาจาภิกษุทั้งหลายสงพึงลงอุเคปณญญกรรมเพราะไม่ทําคืนอาบัตอย่างนี้คือเบื้องต้นโจทย์ภิกษุชื่อฉันนะครั้นแล้วให้ภิกษุชื่อฉันนะนั้นให้การปรับอาบัติครั้นปรับอาบัตแล้ว ภิกษุผู้ชลาสามารถพึงประกาศให้สงทราบด้วยยติจจตุกรรมาวาจาว่าท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าภิกษุชื่อฉันนะนี้ต้องอาบัตแล้วไม่ปรารถนาจะทำาคืนอาบัตถ้าสงพร้อมกันแล้วพึงลงอุเคปเนิยกรรมเพราะไม่ทำาคืนอาบัตแล่ภิกษุชื่อฉันนะห้ามสมโภค ก, กสงนี้เป็นยติท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้า ภิกษุชื่อฉันนะนี้ต้องอาบัตแล้วไม่ปรารถนาจะทําคือนอาบัติสงลงอุเคปนิยกรรมเพราะไม่ทําคือนอาบัตแก่ภิกษุชื่อฉันนะห้ามสมโภคกับสงท่านรูปใดเห็นด้วยกับการลงอุเคปนิยกรรมเพราะไม่ทําคือนอาบัตแก่ภิกษุชื่อฉันนะห้ามสมโภคกับสงท่านรูปนั้นพึงนิ่งท่านรูปใดไม่เห็นด้วยท่านรูปนั้นพึงทักท้วง แม้ครั้งที่สองเขาพระเจ้ากล่าวความนี้ว่าละถึงแม้ครั้งที่สามเขาพระเจ้ากล่าวความนี้ว่าท่านผู้เจริญขอสงจงฟังเขาพระเจ้าภิกษุชื่อฉันนนี้ต้องอาบัตแล้วไม่ปรารถนาจะทำคืนอาบัตสงลงอุเคปนิยกรรมเพราะไม่ทำคืนอาบัแตแกภิกษุชื่อฉันนะห้ามสมโค ก, กับสงท่านรูปใดเห็นด้วยกับการลงอุเคปนิยกรรมเพราะไม่ทาคืนอาบัต ภิกษุชื่อฉันนะห้ามสมโภคกับสงท่านรูปนั้นพึงนิ่งท่านรูปใดไม่เห็นด้วยท่านรูปนั้นพึงทักท้วงโอเคปัญญกรรมเพราะไม่ทำเคินอาบัตสงลงแก่ภิกษุชื่อฉันนะแล้วห้ามสมโภคกับสงสงเห็นด้วยเพราะเหตุ น, นั้นจึงนิ่งเขาพระเจ้าขอเถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงบอกภิกษุในอว่าต่อต่อไปว่า ภิกษุชื่อฉันนะถูกสงลงอุเคปนียกรรมเพราะไม่ทำคืนอาบัตห้ามสมโพกกับสงอธรรมะกรรมมะทวาทศกะว่าด้วยอุเคปนิยกรรมเพราะไม่ทำคืนอาบัตที่ไม่ชอบทำสิบสหมวดหมวดที่หนึ่ง ภิกษุทั้งหลายโอเคปัญญกรรมเพราะไม่ทําคืนอาบัติประกอบด้ว ย, วยง อ, งลงลงองค์สามที่จัดว่าเป็นกรรมไม่ชอบด้วยธรรมเป็นกรรมไม่ชอบด้วยวินัยและระงับไม่ดีคืนหนึ่งลงลับหลังสองลงโดยไม่สอบถามสไม่ลงตามปฏิญญาภิกษุทั้งหลายโอเคปัิยกรรมเพราะไม่ทําคืนอาบัติประกอบด้วยองค์สามเหล่านี้แลที่จัดว่าเป็นกรรมไม่ชอบด้วยธรรม เป็นกรรมไม่ชอบด้วยวินัยและระ ง, งับไม่ดีหมวดที่สองภิกษุทั้งหลายโอเคปณิยกรรมเพราะไม่ทําคืนอาบัตประกอบด้วยองค์สามอีกอย่างหนึ่งที่จัดว่าเป็นกรรมไม่ชอบด้วยธรรมเป็นกรรมไม่ชอบด้วยวินัยและระ ง, งับไม่ดีคือหนึ่งลงเพราะไม่ต้องอาบัติ 2. ลงเพราะอาบัตที่เป็นอเทศนาคาไม่นีสลงเพราะอาบัติที่แสดงแล้ว มัวที่3ภิกษุทั้งหลายอุเคปนิยกรรมเพราะไม่ทําคืนอาบัตประกอบด้วยองค์สมอีกอย่างหนึ่งคือ1ไม่จดกก่อนแล้วจึงลง2ไม่ให้จําเลยให้การก่อนแล้วจึงลง 3. ไม่ปรับอาบัตก่อนแล้วจึงลงหมวดที่4ภิกษุทั้งหลาย อ, าอาุเคปนิยกรรมเพราะไม่ทําคืนอาบัตประกอบด้วยองค์สมอีกอย่างหนึ่งคือหนึ่งลงรับหลัง 2ลงโดยไม่ชอบทรสามสงแบ่งพวกกันลงภิกษุทั้งหลายโอเคปณิยกรรมเพราะไม่ทําคืนอาบัตประกอบด้วยองค์สามเหล่านี้แหลหมั่วที่หภิกษุทั้งหลายโอเคปณิยกรรมเพราะไม่ทําคืนอาบัตประกอบด้วยองค์สามอีกอย่างหนึ่งคือ 1. ลงโดยไม่สอบถาม 2. ลงโดยไม่ชอบธรรามสงแบ่งพวกกันลง ภิกษุทั้งหลายโอเคปณิยกรรมเพราะไม่ทําคืนอาบัตประกอบด้วยองค์สามเหล่านี้แหลหมวดที่หภิกษุทั้งหลายโอเคปณิยกรรมเพราะไม่ทําคืนอาบัตประกอบด้วยองค์สามอีกอย่างหนึ่งคืนหนึ่งไม่ลงตามปฏิญญาสองลงโดยไม่ชอบธรรมสามสงแบ่งพวกกันลงภิกษุทั้งหลายโอเคปณิยกรรมเพราะไม่ทําคืนอาบัตประกอบด้วยองค์สามเหล่านี้แล มัวที่7ภิกษุทั้งหลายโอเคปัิยกรรมเพราะไม่ทำคืนอาบัตประกอบด้วยองค์สามอีกอย่างหนึ่งคือหนึ่งลงเพราะไม่ต้องอาบัตสองลงโดยไม่ชอบทำสามสงแบ่งพวกกันลงภิกษุทั้งหลายโอเคปัญยกรรมเพราะไม่ทำคืนอาบัตประกอบด้วยองค์สามเหล่านี้แลมัวที่8ภิกษุทั้งหลายโอเคปัิยกรรมเพราะไม่ทาคืนอาบัต ประกอบด้วยองค์สามอีกอย่างหนึ่งคือ 1. ลงเพราะอาบัตที่เป็นอเทสนาคามินี 2. ลงโดยไม่ชอบธรรมสงมงแบ่งพวกกันลงมวดที่9ภิกษุทั้งหลายอุเคปนิยกรรมเพราะไม่ทำคืนอาบัตประกอบด้วยองค์สามอีกอย่างหนึ่งคือ1ลงเพราะอาบัตที่แสดงแล้ว 2. ลงโดยไม่ชอบธรรมสางแบ่งพวกกันลง มัวที่สิบพิสุทั้งหลายอุเคปนิยกรรมเพราะไม่ทําคืนอาบัตประกอบด้วยองค์สามอีกอย่างหนึ่งคือหนึ่งไม่จรก่อนแล้วจึงลงสองลงโดยไม่ชอบทำสามสงแบ่งพวกกันลงภิกษุทั้งหลายอุเคปนิยกรรมเพราะไม่ทําคืนอาบัตประกอบด้วยองค์สามเหล่านี้แลหมัวที่สิบเอ็ดพิุทั้งหลายอุเคปนิยกรรมเพราะไม่ทําคืนอาบัต ประกอบด้วยองค์สามอีกอย่างหนึ่งคือหนึ่งไม่ให้จําเลยให้การก่อนแล้วจึงลงสองลงโดยไม่ชอบธรรมสมสงแบ่งพวกกันลงภิกษุทั้งหลายโอเคปัิยกรรมเพราะไม่ทำเคินอาบัตประกอบด้วยองค์สามเหล่านี้แลหมดที่ส2องภิกษุทั้งหลายโอเคปัิยกรรมเพราะไม่ทำเคินอาบัตประกอบด้วยองค์สามอีกอย่างหนึ่ง คือหนึ่งไม่ปรับอาบัติก่อนแล้วจึงลงสองลงโดยไม่ชอบทรสามสงแบ่งพวกกันลงภิกษุทั้งหลายอุเคปนิยกรรมเพราะไม่ทําคืนอาบัติประกอบด้วยองค์สามเหล่านี้แลที่จัดว่าเป็นกรรมไม่ชอบด้วยธรรมเป็นกรรมไม่ชอบด้วยวินยัยและระ ง, งับไม่ดีอาธรรมะกรร ม, มะทวาทสกะในอุเคปนิยกรรมเพราะไม่ทําคืนอาบัตเจ้ ธรร ม, มกรร ม, มทวาทัศกะว่าด้วยโอเคปัญญกรรมเพราะไม่ทําคืนอาบัติที่ชอบทรสิบสหมวดหมวดที่หนึ่งพิกษุทั้งหลายโอเคปัญญกรรมเพราะไม่ทําคืนอาบัตประกอบด้วยองค์สมที่จัดว่าเป็นกรรมชอบด้วยธรรมเป็นกรรมชอบด้วยวินัยและระ ง, งับดีคืนหนึ่งลงต่อหน้าสองลงโดยสอบถามก่อนสลงตามปฏิญญา ภิกษุทั้งหลายโอเคปัียกรรมเพราะไม่ทำเคินอาบัตประกอบด้วยองค์สามเหล่านี้แลที่จัดว่าเป็นกรรมชอบด้วยธรรมเป็นกรรมชอบด้วยวินัยและระงับดีมดที่สองภิกษุทั้งหลายโอเคปัญยกรรมเพราะไม่ทำเคินอาบัตประกอบด้วยองค์สามอีกอย่างหนึ่งที่จัดว่าเป็นกรรมชอบด้วยธรรมเป็นกรรมชอบด้วยวินัยและระงับดีคือหนึ่งลงเพราะต้องอาบัต สงลงเพราะอาบัติที่เป็นเทศนาคามินีสลงเพราะอาบัติที่ยังไม่ได้แสดงภิกษุทั้งหลายโอเคปณิยกรรมเพราะไม่ทําคืนอาบัตประกอบด้วยองค์สามเหล่านี้แลที่จัดว่าเป็นกรรมชอบด้วยธรรมเป็นคำชอบด้วยวินัยและระงับดีหมวดที่สภิกษุทั้งหลายโอเคปณิยกรรมเพราะไม่ทําคืนอาบัติประกอบด้วยองค์สามอีกอย่างหนึ่งที่จัดว่า เป็นความชอบด้วยธรรมเป็นความชอบด้วยวินยัยและระ ง, งับดีคือหนึ่งโจทย์ก่อนแล้วจึงลงสองให้จำเลยให้การก่อนแล้วจึงลงสปรับอาบัตก่อนแล้วจึงลงภิกษุทั้งหลายโอเคปณิยกรรมพร้อมไม่ทําคืนอาบัตรประกอบด้วยองค์สามเหล่านี้แลที่จัดว่าเป็นกรรมชอบด้วยธรรมเป็นกรามชอบด้วยวินยัยและระ ง, งับดีหมวดที่สี่ ภิกษุทั้งหลายโอ okay, เคปณิยกรรมเพราะไม่ทำเคินอาบัตประกอบด้วยองค์สามอีกอย่างหนึ่งที่จัดว่าเป็นกรรมชอบด้วยธรรมเป็นกรรมชอบด้วยวินัยและระงับดีคือหนึ่งลงต่อหน้าสองลงโดยชอบธรรมสามสงพร้อมเพรียงกันลงภิกษุทั้งหลายโอ okay, เคปณิยกรรมเพราะไม่ทำเคินอาบัตประกอบด้วยองค์สามเหล่านี้และที่จัดว่าเป็นกรรมชอบด้วยธรรม เป็นกรรมชอบด้วยวินัยและระ ง, งับดีหมวดที่หภิพิุทั้งหลายโอเคปัิยกก ร, รมเพราะไม่ทำาคืนอาบัตประกอบด้วยองค์สามอีกอย่างหนึ่งคือหนึ่งลงโดยสอบถามก่อน 2. ลงโดยชอบธรรมสมสงพร้อมเพลียงกันลงหมวดที่6ภพิษุทั้งหลายโอเคปัญียก ร, รมเพราะไม่ทำาคืนอาบัตประกอบด้วยองค์สามอีกอย่างหนึ่ง คือหนึ่งลงตามปฏิญญาสองลงโดยชอบธรรมสามสงพร้อมเพลียงกันลงภิกษุทั้งหลายอุเคปเนิยกรรมเพราะไม่ทำาคืนอาบัตประกอบด้วยองค์สามเหล่านี้แลหมัวที่7ภิกษุทั้งหลายอุเคปเนิยกรรมเพราะไม่ทำาคืนอาบัตประกอบด้วยองค์สามอีกอย่างหนึ่งคือหนึ่งลงเพราะต้องอาบัตสองลงโดยชอบธรรม สสงพร้อมเพรียงกันลงหมวดที่8ภิกษุทั้งหลายอุเคปเนิยกรรมเพราะไม่ทำาคืนอาบัตประกอบด้วยองค์สามอีกอย่างหนึ่งคือหนึ่งลงเพราะอาบัตที่เป็นเทสนาคามินีสองลงโดยชอบธรรมสสงพร้อมเพรียงกันลงหมวดที่9ภิกษุทั้งหลายอุเคปเนิยกรรมเพราะไม่ทําคืนอาบัต ประกอบด้วยองค์สามอีกอย่างหนึ่งคือ 1. ลงเพราะอาบัติที่ยังไม่ได้แสดง 2. ลงโดยชอบธรรมสสงพร้อมเพรียงกันลงมัวที่10ภิกษุทั้งหลายอุเคปนิยกรรมเพราะไม่ทำเคินอาบัตประกอบด้วยองค์สามอีกอย่างหนึ่งคือ 1. โจรก่อนแล้วจึงลง2ลงโดยชอบธรรมสสงพร้อมเพลียงกันลงภิกษุทั้งหลาย โอเคปเัิญกรรมเพราะไม่ทำคืนอาบัตประกอบด้วยองค์สามเหล่านี้แลหมวดที่สิอภิกษุทั้งหลายโอเคปัิยกรรมเพราะไม่ทำคืนอาบัตประกอบด้วยองค์สามอีกอย่างหนึง่งคือหนึ่งให้จำเลยให้การก่อนแล้วจึงลงสองลงโดยชอบธรรมสมสงพร้อมเพลียงกันลงภิกษุทั้งหลายโอเคปัิยกรรมเพราะไม่ทำคืนอาบัติประกอบด้วยองค์สามเหล่นานี้แล มวดที่สิบสองภิษุทั้งหลายอุเคปเนิยกรรมเพราะไม่ทำเคืรนอาบัตประกอบด้วยองค์สามอีกอย่างหนึ่งคือหนึ่งปรับอาบัตก่อนแล้วจึงลงสองลงโดยชอบธรรมสามสมพร้อมเพรียงกันลงภิกษุทั้งหลายอุเคปเนิยกรรมเพราะไม่ทำเคืรนอาบัตประกอบด้วยองค์สามเหล่านี้แลที่จัดว่าเป็นกรรมชอบด้วยธรรมเป็นกรรมชอบด้วยวินัยและระ ง, งับดี ธรรมกรรมมะทวาทสกะในออเขปนิยกรรมเพราะไม่ทำคืนอาบัตจบอากังขมานักกะว่าด้วยทรงมุ่งหวังจะลงออเขปนิยกรรมเพราะไม่ทำคืนอาบัตห6หมวดหมวดที่หนึ่งภิกษุทั้งหลาย สมเมื่อมุ่งหวังพึงลง อ, อุเคปเนิยกรรมเพราะไม่ทําคืนอาบัตแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์สามคือ 1. ก่อความบาดหมางก่อความทะเละก่อความวิวาดก่อความอื้อเฉาก่ออธิกรณในสงสอโง่เขลาไม่ฉลาดมีอาบัตมากต้องอาบัตกําหนดไม่ได้ 3. อยู่คลุกคลือกัครรหัดด้วยการคลุกคลือกบครหัดที่ไม่สมควร ภ Survey ิกษุทั Them, ้งหลายสงเมื่อมุ่งหวังพึงลงอุเคปนิยกรรมเพราะไม่ทําคืนอาบัติแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์สามเหล่านี้แหลหมวดที่2ภิกษุทั้งหลายสงเมื่อมุ่งหวังพึงลงอุเคปนิยกรรมเพราะไม่ทําคืนอาบัตแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์สามอีกอย่างหนึ่งคือหนึ่งมีศีลวิบัติในอธิศีล 2. มีอาจารระวิบัติในอชาจารย์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 สกล่าวติเตียนพระธรรมสมกล่าวติเตียนพระสงฆ์ภิกษุทั้งหลายสงเมื่อมุ่งหวังพึงลงอุเคปนิยกรรมเพราะไม่ทําคืนอาบัตแ ก, ก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์สามเหล่านี้แหลหมวดที่สภิกษุทั้งหลายสงเมื่อมุ่งหวังพึงลงอุเคปนิยกรรมเพราะไม่ทําคืนอาบัตแก่ภิกษุสามรูปคือหนึ่งรูปหนึ่งก่อความบาดหมางก่อความทะเลาะ ก่อความวิวาทก่อความอื้อเฉาวก่ออธิกรณ์ในสงฆ์สรูปหนึ่งโง่เขลาไม่ฉลาดมีอาบัตมากต้องอาบัตกําหนดไม่ได้ 3. รูปหนึ่งอยู่คลุกคลีกับเครือขัดด้วยการคลุกคลีกับเครือขัดที่ไม่สมควรภิกษุทั้งหลายสงเมื่อมุ่งหวังพึงลงโอเคปณิยกรรมเพราะไม่ทําคืนอาบัแตแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์สามเหล่านี้แหล มัวที่หภิกษุทั้งหลายสงเมื่อมุ่งหวังพึงลงอุเคปนิยกรรมเพราะไม่ทําคืนอาบัติแก่พิกษุอื่นอีกสมรูปคือหนึ่งรูปหนึ่งมีเซลวิบัติในอธิศีล2รูปหนึ่งมีอาจารวิบัติในอาชาจาร์สรูปหนึ่งมีทิธิวิบัติในอติทิธิภิกษุทั้งหลายสงเมื่อมุ่งหวังพึงลงอุเคปณิยกรรมเพราะไม่ทําคืนอาบัต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 แก่ภิกษุสามรูปเหล่านี้แลอากัรขะมานักกะในอุเคปนิยกรรมเพราะไม่ทำคืนอาบัตจบเตจัตตาลีสวัตตะว่าด้วยวัด43ข้อในอุเคปนิยกรรมเพราะไม่ทำคืนอาบัต ภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ถูกสงลงออเขปเนิยกรรมเพราะไม่ทําคืนอาบัตเพึ่งประพฤติชอบการประพฤติชอบในเรื่องนั้นดังนี้ 1. ไม่เพึ่งให้อุปสมบท 2. ไม่เพึงให้นิสัยสไม่เพึ่งใช้สัมเนธอุปถาม 4. ไม่เพึ่งรับแต่งตั้งให้เป็นผู้สั่งสอนภิกษุณี 5. แม้ได้รับแต่งตั้งแล้วก็ไม่พึงสั่งสอนภิกษุณี 6. ไม่พึงต้องอาบัต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 13. ไม่พึงยินดีการปรนน ม, มือของประกาศตตะพิษุ 14. ไม่พึงยินดีสามีจิกรรมของประกาศตตะพิษุ 15. ไม่พึงยินดีการนำอาสนะมาให้ของประกาศตตะพิษุ 16. ไม่พึงยินดีการนำที่นอนมาให้ของประกาศตตะพิษุ 17. ไม่พึงยินดีน้ำล้างเท้า การตั้งต่างรองเท้าให้ของประกาศตตะภิกษุ18ไม่พึงยินดีการตั้งกระเบื้องเช็ดเท้าให้ของประกาศตตะภิกษุ19ไม่พึงยินดีการรับบาดและจีวรของประกาศตตะภิกษุ20ไม่พึงยินดีการที่ประกาศตตะภิกษุถูหลังให้ในคราวอาบน้ํา21ไม่พึงใส่ความประกาศตตะภิกษุด้วยศีลวิบัติ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 ไม่พึงใช้เครื่องนุ่งห่มอย่างเดรัจฉี28ไม่พึงโคบพวกเดรัจฉี29พึงโคบพวกภิกษุ30พึงศึกษาศึกขาบทของภิกษุ31ไม่พึงอยู่ในอาวาสที่มีเครื่องมุงบางเดียวกันกับปะกะตตะพิษุ32ไม่พึงอยู่ในสถานที่ไม่ใช่อาวาสที่มีเครื่องมุงบางเดียวกันกับปะกะตตะพิษุ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 ไม่พึงงวดปวารณาแก่ปะกะตตะพิษุ 38. ไม่พึงทาการไต่สวน 39. ไม่พึงเริ่มอนุวาทาทิกร 40. ไม่พึงขอโอกาสพิกษุอื่น 41. ไม่พึงโจทย์พิษุอื่น 42. ไม่พึงให้พิกษุอื่นให้การ 43. ไม่พึงชักชวนกันก่อความทะเลาะ เตจัตตาลีสวัตตะในอุเคปนิยกรรมเพราะไม่ทำาคืนอาบัตจบสงลงโทษและระ ง, งับกรรมต่อมาสงเล่ยลงอุเคปณิยกรรมภิกษุช น, นะเพราะไม่ทำาคืนอาบัตห้ามสมโภกกับสง ภิกษุชันนะนั้นถูกสงลงอุเคปเนียกรรมเพราะไม่ทําคืนอาบัติภิกษุชันนะนั้นได้ออกจากอาวาสนั้นไปสู่อาวาสอื่นผู้ภิกษุในอาวาสอื่นนั้นไม่กราบไหว้ไม่ลุกรับไม่ประนมมือไม่ทําสามีจิกรรมไม่สักการะไม่เคารพไม่นับถือไม่บูชาภิกษุชันนะนั้นอันพวกภิกษุไม่สักการะไม่เคารพไม่นับถือไม่บูชา เป็นผู้ไม่มีใครเชื่อถือจึงได้เดินทางออกจากอาวาสนั้นไปสู่อาวาสอื่นแม้พวกพิษุในอาวาสอื่นนั้นก็ไม่กราบไหว้ไม่ลุกรับไม่ประนมมือไม่ทาสามีจิกรรมไม่สักการะไม่เคารพไม่นับถือไม่บูชาภิษุชันนนั้นอันพวกพิษุไม่สักการะไม่เคารพไม่นับถือไม่บูชาเป็นผู้ไม่มีใครเชื่อถือ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 กลับประพฤตชอบหายเยื่ยยิงกลับตัวได้แล้วเข้าไปหาผู้ภิกษุบอกว่ากระผมถูกสงลงโอเคปณิยกรรมเพราะไม่ทําคืนอาบัตกลับระพฤตชอบหายเยื่ยยิงกลับตัวได้แล้วกระผมจะปฏิบัติอย่างไรภิกษุทั้งหลายจึงนําเรื่องนั้นไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายถ้าอย่างนั้น สงจงระงับโอเคปเนิยกรรมเพราะไม่ทําคืนอาบัติแก่ภิกษุฉันนะนปฏิปั ส, สัมเพตพระเตจตาลีสกะว่าด้วยองค์43สาของภิกษุที่สงไม่พึงระงับโอเคปเนิยกรรมเพราะไม่ทําคืนอาบัติหมวดที่หนึ่ง ภิกษุทั้งหลายสงไม่พึงระ ง, งับโอเคปณิยกรรมเพราะไม่ทำาคืนอาบัตแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์5คือหนึ่งให้อุปสมบท 2. ให้นิสัย 3. ใช้สั ม, มนเนธอปถาก 4. รับแต่งตั้งเป็นผู้สั่งสอนภิกษุณี 5. แม้ได้รับแต่งตั้งแล้วก็ยังสั่งสอนภิกษุณีภิกษุทั้งหลายสงไม่พึงระ ง, งับโอเคปณิยกรรมเพราะไม่ทําคืนอาบัตแก่ภิกษุ ประกอบด้วยองค์หเหล่านี้แหลหมวดที่สองพิกษุทั้งหลายสงไม่พึงระ ง, งับอเุเขปัญญกรรมเพราะไม่ทําคืนอาบัตแก่พิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้าอีกอย่างหนึ่งคือ 1. ต้องอาบัต ท, ที่เป็นเหตุให้ถูกสงลงโอเขปัญญกรรมเพราะไม่ทําคืนอาบัตอีก 2. ต้องอาบัตเอื่นทํานองเดียวกัน 3. ต้องอาบัต ท, ที่เลวสามกว่านั้น 4. ตําหนิ ก, กรรม ตําตำหนิภิกษุผู้ทำกรรมหมวดที่ 3. ภิกษุทั้งหลายสงไม่พึงระ ง, งับโอเคปนิยกรรมเพราะไม่ทำเคืนอาบัตแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์5อีกอย่างหนึ่งคือ 1. ยินดีการกราบไหว้ของประกาศตตะภิกษุ 2. ยินดีการลุกรับของประกาศตตะภิกษุ 3. ยินดีการประนมมือของประกาศตตะภิกษุ สยินดีสามีจิกรรมของประกาศตตะพิษุ 5. ยินดีการนำอาสนะมาให้ของประกาศตตะพิษุหมวดที่4ภิกษุทั้งหลายทรงไม่พึงระ ง, งับโอเขปนิยกรรมเพราะไม่ทําคืนอาบัติแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์5อีกอย่างหนึ่งคือ 1. ยินดีการนำที่นอนมาให้ของประกาศตตะพิษุ 2. ยินดีน้ำล้างเท้าการตั้งต่างรองเท้าให้ของปะกะตะตะพิษุ 3. ยินดีการตั้งกระเบื้องเช็ดเท้าให้ของปะกะตะตะพิษุ 4. ยินดีการรับปาดและจีวรของปะกะตะตะพิษุ 5. ยินดีการที่ปะกะตะตะพิษุถูหลังให้ในคราวอาบน้ำหมวดที่ 5. ภิพิุทั้งหลายทรงไม่พึงระ ง, งับโอเคปณิยกรรมเพราะไม่ทาคืนอาบัต แก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์5อีกอย่างหนึ่งคือ 1. ใส่ความประกาศตัตตะภิกษุด้วยศีลวิบัติ 2. ใส่ความประกาศตัตตาภิกษุด้วยอาจารวิบัติ 3. ใส่ความประกาศตัตตะภิกษุด้วยทิฏฐิวิบัติ 4. ใส่ความประกาศตัตตะภิกษุด้วยอาชีววิบัติ 5. ยุยงประกาศตัตตะภิกษุให้แตกกันมวดที่6ภิกษุทั้งหลาย สงฆ์ไม่พึงระ ง, งับอเคปัญยกรรมเพราะไม่ทำาคืนอาบัตไก่ภิกษุผู้ประกอบได้องห้าอีกอย่างหนึ่งคือหนึ่งใช้เครื่องนุ่งห่มอย่างครหัด ส, สอใช้เครื่องนุ่งห่มอย่างเดรทีสโคบพวกเดรถีสีไม่โคบพวกภิกษุ 5. ไม่ศึกษาศึกษาบทของภิกษุม่วดที่เดภิกษุทั้งหลายสงฆ์ไม่พึงระ ง, งับโอเคปัญยกรรม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 4เห็นประกาศตตะพิษุแล้วไม่ลุกจากอาสนะห้าโรรานประกาศตตะพิษุทั้งข้างในหรือข้างนอกวิหารภิกษุทั้งหลายสงไม่พึงระงับโอเคปณิยกรรมเพราะไม่ทําคืนอาบัตแก่พิกษุผู้ประกอบด้วยองค์5เหล่านี้แลหมวดที่8ภิกษุทั้งหลายสงไม่พึงระงับโอเคปณิยกรรมเพราะไม่ทําคืนอาบัตแก่ภิกษุ ผู้ประกอบด้วยองค์8คือ 1. งดอุโบสถแก่ปะกะตตะภิษุ 2. งดประวารณาแก่ปะกะตตะภิษุ 3. ทำการไต่สวนสเริ่มอนุวาธาธิกร 5. ้ขอโอกาสภิกษุอื่น 6. โจทย์ภิษุอื่น 7. ให้พิกษุอื่นให้การ 8. ชักชวนกันก่อความทะเลาะภิกษุทั้งหลายสงไม่พึงระงับโอเคปนิยกรรม เพราะไม่ทำเกินอาบัตแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์แปดเหล่านี้แหลับปติปัสามเพตาพระเตจัตาลีสกะในอุเคปนณยกรรมเพราะไม่ทำเกินอาบาัตจบ